ใจหลับตาจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆบายหลับตาเบาๆพอสบายสาผ่าาาา อ, าาอนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะ แล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวให้ร้อยดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปรับท่านั่งนะจ๊ะให้ถูกส่วนหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอย่างเบาๆสบาย ต้องก็ผ่อนคลายแล้วก็หลับตาพลิ้มพิมฝึกไปด้วยกันอย่างนี้นะจาจะปรับไปด้วยกันปรับเปลือกตาการหลับตาดี๋ยวฟังผ่านนะลูกนะสำคัญนะจะได้ไม่ช้านะ่ต้องหลับตาให้เป็นซะก่อนให้เกิดความคุ้นเคย แล้วก็ผ่อนคลายจึงจะทังเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายจริงๆแล้วก็ขยับท่านั่งปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้ถูกส่วนนะจ๊ะปรับตรงเนี้ยอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะ จะได้เร็วปครับพอถูกส่วนแล้วเราถึงรวมใจหยุดไปตรงกลางคือแตะเบาๆให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกสบายในทุกครั้งที่เรานั่งนะจ๊ะ ให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายก่อนที่รู้สึกว่าสบายและก็ผ่อนคลายทุกครั้งที่เราเริ่มนั่งหลับตานี่สำคัญนะลูกนะพาะลูกทุกคนยังมีภารกิจหยาบต้องทำมาหากินทำมาค้าขาย ทางโลกอยู่นะ่ะมันจะมีเรื่องห ย, ยาบๆมาทำให้จิตใจเราหยาบตามไปด้วยเนะี่ยต้องจำตรงนี้แล้วก็ไปทำไปฝึกเริ่มต้นจากที่เราทำได้ง่ายซะก่อนเช่นอย่างน้อยเราก็หลับตาให้เป็นสมมติเรานึกภาพไม่ออก เอาตรงนี้ที่ง่ายหรือผ่อนคลายเป็นหลับท่านั่งเป็นแล้วก็วางใจเป็นหยุดใจเป็นตรงกลางต้องง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็จะนึกถึงดวงใสๆ หรือองค์พระที่เราคุ้นเคยหรือแม่กับประเดบุูหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ศูนย์กลางกายง่ายๆไม่สับสนเจ้าว่าจะเอาอะไรดีนะอะไรง่ายที่สุดณนะตอนเริ่มตนเอาตรงนั้นไปก่อน หรือบางท่านก็รู้สึกพอลับตาแล้วตัวหายแวบแต่เราก็ยังไม่เห็นอะไรก็นั่นแหละคลือจุดเริ่มต้นดีๆสําหรับเราเฉพาะตัวของเรานะจ๊ะเฉพาะตัวของเราหรือบางคนจะเริ่มด้วยการ น, นึกถึงบุญก่อนนึกถึงความดีที่เราได้ทําเพื่อให้ใจมันชุ่มชุม บุญที่นึกถึงก็นึกถึงภาพบุญที่ระพิติที่สุดก่อนนึกได้ง่ายก่อนก็สร้างความชุ่มใจชื่นใจจะได้ขจาดความฟุง้งกรจัดนิวรณ์ทั้งห้าความฟุง้งคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาเป็นความยินดียินลเนี่ย อย่างนี้ก่อนก็ได้แปล ว, ว่าทุกอย่างให้เริ่มต้นจากจุดที่เราทำได้ง่ายๆก่อนพอรู้สึกสบายมีความพร้อมแล้วจึงค่อยๆวางใจแต่นึกถึงบริกรรมมณีมิตรหรือภาพที่เราคุ้นเคยจากที่ชัดน้อยไปหาชัดมาก ซึ่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วก็เริ่มอย่างนี้ไปก่อนอีกเช่นเดียวกันต้องจานะลูกนามันจะเร็วแล้วก็ไปฝึกทำซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆสำหรัที่หยุดใจได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้กึกถึงดวงใสได้หรือก็ถึงดวงธรรม หรือตรึกองค์พระได้เป็นกุศลนิมิตรหรือบริกามนิมิตได้แล้วก็เนกไปเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่มีอยู่จริงภายในภาพอะไรที่เกิดขึ้นข้างในจะเป็นดวงือเป็นกายองค์พระมาหาปูชนิยาจาร์ล้วนดีทั้งสิ้นไม่ต่างไป กังวลว่านึกไปเองหรือเห็นเองจะนึกเองหรือเห็นเองก็ช่างมันให้มีให้ดูก่าแล้ว ก, การเห็นไม่ว่าจะนึกเองหรือเห็นเองระ่าใจของเราเะมีสมาธิแล้วแต่นึกก็เห็นก็มีสมาธิระดับหนึ่งพอเห็นเองการระดับที่ลึกขึ้นละเอียดขึ้นมันก็แค่นั้นเอง ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยทำให้ใจถอนจากสมาธิจิตที่กำลังละเอียดอยู่จะถอยม่หยากนี่ตั้งจานะลูกนะเพราะถึงเวลาทาจริงๆก็จะลืมทุกทีแล้วก็จะถามคำถามเดิมๆอย่างนี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็เคยบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เคยบอกซ้ำๆบ่อยๆนะจ๊ะแต่พอถึงเวลาทมจริงๆพอมีอะไรให้ดูเนี่ยแต่เราก็กลับคิดว่าเอ๊นึกไปเองหรือเห็นจริงๆ หรือเห็นเองอย่างนี้มักจะเป็นกันอย่างนี้เพราะว่มันหมดเวลาแล้วนะลุงนะาะความตายมี ม, มีนิมิตใหมยเนะี่ยมัวไปลังเลสงสัยมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือจิตมันจะถอนก็จะอยากให้โลกจำบรรทัดนี้เนะี่ยที่บอกซ้ำๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรใหม่มีอะไรให้ดู ก็ดูไปดูไปอย่างสาบายๆาาโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นนักเรียนอนุบาลจะวิเคราะห์วิจารณ์มัน Advanced แล้วการแอดวานแล้วการที่ละเอียดเลยถึงตอนนั้นจะเอาไ้ก็เอาแต่ตอนนี้เรากำลังฝึกใจให้มันหยุดนิ่ง ภาพไปดูก็แปลว่าหยุดได้ในระดับหนึ่งเราก็นิ่งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆการดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะดูไปเรื่อยๆใจก็จะนิ่งนุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่ความละเอียดในระดับที่ทําลายความสงสัยของตัวเราเองได้โดยตัวของเราเอง โดยประสบการภายในของตัวเราเองใจมันจะตั้งมัน่นสังัดจากบาปอากุศลธรรมมันบริสุทธนะ์เน่เมื่อหยุดนิ่งมันจะบริสุทธ์มันจะนิ่งแน่นนิ่งในนิ่งแน่นในแน่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันนุ่มโน่นคือมลอี น้มโนนเมื่อเราเอาของแข็งมาทำเป็นของเหลวเอาของเหลวว่าทำให้มันเป็นแกส๊สอย่างนั้นแหละอนุ่มโ น, ม, โนมก็ควรแก่การงานงานที่จะลือภพลือชาติลือกิเลสอาสวะหรือจะศึกษาวิชาธรรมกายต่อไปหรือศึกษาวิชาสามก็ท่งอาสวะกยาน ความรู้ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์กระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ไปจิตมันนิ่งแน่นนุ่มโนโนโควกับการงานมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นต้องจำแล้วก็ตั้งทำนะลูกเนอะไปทำทำซ้ำ ให้ชำนาญทำซ้ำๆๆนับซ้ำไม่ทวนนับครังไม่ทวนให้ส ม, ม่ำเสมอจนเป็นกิ จ, จวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันหายใจเข้าออกอะไรอย่างนั้นแหละแล้วว่าจิตนิ่งแน่นนมโดนโครการงานความรู้สุดเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณ ที่มีมีอะไรจะมาเทียบเทียมได้ความสว่างสงบเย็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งมันก็จะมาพร้ อ, อมๆกันนะไม่ก่อนไม่หลังกันหรอกจะมาพร้ อ, อมๆกอนเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันก็จะ มุ่งเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเลยจึกระทั่งสามารถพึ่งพาตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะอยู่กลางแจ้งก็พึ่งพาตัวเองได้ไ ม, ไ, ดไม่เหมือนผู้ที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่มุงที่บงังที่อะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึก อุนปลอดภัยแต่พูดี่พึ่งตัวเองได้ไกลาย็ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยด้วยตัวเองอยู่กลางแจ้งเป็นวัตรกะก็ได้อยู่โคนไม้ก็ได้อยู่ลอมฟางก็ได้หลบเขาตามท้ำภูเขาที่สั ง, งัดป่าช้าป่าชัดแปลว่าเมื่อใจหยุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลก พึ่งตัวเองได้ตัวเองพึ่งตัวเองได้เป็นอยู่ได้ในตัวของตัวเองนี่แหละเจ้าที่เรามานั่งฝึกหยุดฝึกนิ่งนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญกุศลความบริสุทธิ์ก็จะไปถึงจุดที่พึ่งพาตัวเองได้เป็นอยู่ได้ตัวของตัวเองได้ที่เรียกว่าอัตตาเหตะโนโนอโธนั่นแหละ พอตนได้เป็นที่พึ่งแกตนแล้วพระตนเข้าไปถึงตัวตนที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวตอนอยาบเปลือกนอกเนี่ยใจมันจะล่อนข้ไปเป็นชั้นชั้นั น, น, นโดยหยุดกันนิ่งมิติมันจะเปลี่ยนไปเลยเลยไปสู่ความละเอียดจากเห็นดวงก็จะเห็นดวงในดวง ในดวงมีกายในกายมีดวงก็จะไปเรื่อยๆลุ่มลึกไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ฝึกใจให้ยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่างคนต่างนั่งกับแบบเงียบๆได้จ้ะ